ที่แล้วได้พูดในเรื่องของพรมวิหารเนี่ยในด้านของพรมวิหารที่จริงในหลักของคําว่าพรมวิหารเนี่ยมีด้วยกันสี่อย่างก็คือว่าเมตตาการุณาแล้วก็มุทิตาและอุเบกขา น, นั้นพระโยคีบุคคลผู้เริ่มทํากรรมฐานคําว่าพระโยคีบุคคลเนี่ยท่านหมายถึงคําว่ายโยคีหรือว่าโยคาวจรเนี่เป็นชื่อของบุคคลผู้ทําความเพียรทั่วไปเนี่ย โยคยีหรือบุคคลเขาแปลว่าบุคคลผู้ทาความเพียรแค่นั้นคําว่าโยคยีหรือบุคคลเนี่ยเป็นชื่อของผู้ทาความเพียรทั่วไปโดยเฉพาะเรียกผู้ที่เริ่ ม, รรมทำกรรมฐานทั่วไปนเนี่ยถ้าหากว่าภายนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยทำความเพียรแต่เป็นการทำความเพียรทรมานตนก็เรียกโยคียเหมือนกัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของลัทธิของเขาเนี่ยอันนั้นเรียกว่าโยคีหรือโยคาวจรเหมือนกันแต่ว่าคำว่าโยคีเนี่ยในความหมายของศาสนาเนี่ยนะบุคคลผู้เริ่มทำกรรมฐานประสงค์จะเจริญพรหมวิหารโดยเฉพาะพรหมวิหารข้อแรกจะต้องตัดวนนความกังวลกันนนความกังวลในที่นั้นเขาเรียกปริพด ปริพลด์กล่าวคือความกังวล น, นั้นมีอยู่ด้วยกันสิบประการนะในสิบประการนั้นก็คือว่าความกังวลในที่อยู่ความกังวลในที่อยู่เนี่ยเป็นอุปสรรคแห่งการประพฤติแห่งการปฏิบัติฉะนั้นถ้าหากว่าความกังวลในที่อยู่เนี่ยการที่ฉะนั้นการที่บุคคลที่กังวลในที่อยู่เนี่ยความกังวลในที่อยู่ความกังวลใน ตระกูลอุปถาความกังวลในราสกาละความกังวลในหมู่แล้วก็ความกังวลในการงานความกังวลในการเดินทางความกังวลในหมู่ญาติตลอดถึงความกังวลในการเจ็บป่วยนเนี่ยและก็ความกังวลในการศึกษาเ ร, าเรียนในที่สุดจริงๆก็คือถ้าคนที่ได้อิเทลิสเนี่ยแม้แต่ความกังวลในการแสดงอิเทลิตเนี่ยอันนั้นก็เป็นความกังวล ฉะนั้นในการเจริญกรรมาฐานเนี่ยเขาจึงห้ามหรือพยายามตัดเครื่องกังวลต่างๆเหล่านั้นให้ได้เอ่ทาไมเขาจึงต้องพยายามตัดเครื่องกังวลเหล่านั้นเพราะเครื่องกังวลต่างๆเหล่านั้นเน่ะเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะมากีดขวางทาให้การประพฤติปฏิบัตินั้นเน่ะไม่ดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ที่ดีงามนี่เป็นอย่างนี้เนี่ย เมื่อการประพฤติปฏิบัติไม่ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งจิตหรือปรารถนาก็าไว้เนี่ยการปฏิบัติก็เจออุปสรรคดังที่ได้กล่าวมานั่ น, นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคใงการเจริญกัมมานทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่ว่าเราศึกษาในเรื่องของพรหมวิหารข้อแรกโดยเฉพาะเมตตาภาวนานการเรียน ลำดับแรกเลยเนี่ยวิธีการเรียนวิธีการเจริญกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ก็ต้องศึกษาต้องเล่าเรียนให้เป็นที่พอใจที่สามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครั้แล้วก็เริ่มปฏิบัติเขาบอกว่าผู้ปฏิบัตินเนี่ยแม้แต่เรื่องการบริโภคอาหารนเนี่ยก็ต้องทำให้ใหดี บรรเทาความง่วงด้วยอันเกิดแต่การบริโภคอาหารคือทําความง่วงให้สางไปเสียก่อนเมื่อทําความง่วงให้สางไปแล้วเนี่ยลําดับนั้นก็พึงนั่งขัดสมาธิอย่างสบายเนี่ยณอาสนะที่จัดเตรียมไว้เขาเรียกว่าเป็นสันถัดก็ได้หรือมีสีรนะก็ได้ที่เราเตรียมก็ไว้ในท่านั่งใดๆก็แล้วแต่ที่เห็นว่าเว้นจากโทษต่างๆดังที่ททททได้เคยกล่าวไว้ แล้วหลังจากนั้นเน่ยนะถ้าจากครั้งที่แล้วก็ได้พูดบอกว่าพระโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยจงพิจารณาเห็นโทษของโทสะแล้วก็พิจารณาเห็นอันิสงส์ของขันติวิธีเริ่มต้นแห่งการที่จะประพฤติปฏิบัตินี่เนี่ยเห็นโทษของโทสะคือความโกรธความไม่พอใจ แล้วก็พิจารณาเห็นอนิสงส์ก่าคือเห็นคุณของขันติธรรมทีนี้การเจริญเมตตาพรวิหารเนี่ยความประสงค์เพื่อที่จะสละทิ้งเสียซึ่งความโกรธและวัตถุประสงค์ก็จะได้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณอันนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่าใครๆก็ตามเนี่ย ย่อมที่จะไม่อาจสลัดลัดทิ้งโทษที่ตนได้ไม่ได้เห็นและไม่อาจจะบรรลุถึงอนิสงส์ที่ตนเองไม่รู้มาก่อนฉะนั้นท่านจึงสอนบอกว่าพิจารณาโทษของความโกรธและอนิสงส์ของขันติอันนั้นเป็นเบื้องต้นเห่งการที่จักเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะเจริญเมตตาเนี่ย น, นั้นก่อนที่จะลงมือในการที่จะเจริญเมตตากรรมฐานเนี่ย โยคยีหรือผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาหเห็นโทษของความโกรธเสียก่อนทั้งนี้โดยอาศัยในแห่งพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้เป็นหลักเป็นอาธิว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดูก่อนอาวุโสคนที่โกรธขึ้นมาก่อนแล้วถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้ว ย, ย่อมอาจจะร้างผานชีวิตของกันละกันได้ทีเดียว เออตรงนี้เป็นเป็นโทษของโทสะที่พระพุทธเจ้าองค์บอกกล่าวก็ไว้ว่าความโกรธเนี่ยถ้า พ, อพ่อคูณให้เกิดมากขึ้นทำความโกรธให้เกิดขึ้นในใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าใจของบุคคลใดเนี่ยถูกความโกรธครอบครองแล้วเนี่ยใจของบุคคลนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความมาฆาตพยาบาทในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยแก่การล้างผาน ชีวิตซึ่งกันและกันได้ที่จริงท่านวางหลักเขาไว้นะว่าเริ่มหน้านิวคิ้วเขาหมดเริ่มจากการปัะทุสร้ายกันมีการตะโกนด่ากันมีการประทุสล้ายกันด้วยอาวุธมีก้อนดินมีท่อนไม้มีตัตราเป็นต้นในที่สุดจริงๆก็ประหัดประหารซึ่งกันและกันโทษต่างๆเหล่านี้ก็มาจากโทสะนั่นเองนี่งนะ และต้องพิจารณาถึงอนิสงค์ของขันติโดยในที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นหลักเป็นอาทิว่าขันติคือความยับยั้งใจไว้ได้เป็นธรรมเครื่องเผาบาปให้เหือดแห้งไปอย่างยอดเยี่ยมเรายกย่องบุคคลผู้มีขันติว่าเป็นกาลังมีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นคามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความฉิบหายและนําไปซึ่งประโยชน์ อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่นที่จะไปประเสริฐยิ่งกว่าขันตินั้นไม่มีวะเน่ยอันนี้ก็คือว่าให้พิจารณาดูว่าเออขันติเนี่ยนะคือความอดทนคือความอดกลั้นเนี่ยเี่ยเป็นธรรมเครื่องเผาบาปนะเช่นบาปที่มันจะมาเกิดทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเนี่ยกระแสบาปทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยเนะขันติเนี่ย เมื่อมีขันติแล้วตัวขันติจะไปเผาบาปเหล่านั้นเนะีบุคคลที่จะเป็นพระอรหันเนี่ยหรือบุคคลที่จะเป็นพรามก็มีขันตินะเป็นกําลังเนะคุณธรรมที่เป็นเครื่องป้องกันความขิบหายเนี่ยนะเช่นว่าความวิบัติเช่นว่ามนุษย์สมบัติเอย๋ยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติคนที่พลาดสมบัติเหล่านี้ก็เพราะคนขาดขันตินั่นเอง คนที่ขาดขันติก็พากันลงไปสู่อาบายภูมิกันเป็นจํานวนมากกว่านั้นนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ทําขันตินั้นให้เกิดขึ้นในกระแสจิตทีนี้การศึกษาเมตตาพรหมวิหารนี่ยนะเคยกล่าวไว้แล้วว่าเมตตาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์แค่นั้นเมื่อเมตตาเป็นอริยทรัพย์ ตัวเมตตาเนี่ยนะเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าที่พระพุทธเจ้าจะรู้ว่าเมตตาภาวนาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเป็นประจัยฐานแห่งการบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงก้าวคือมากผลนิพพานเนี่นกว่าที่พระพุทธเจ้าจะแทงตลอดเมตตาภาวนาได้ ต้องอบรมบ่มอัธยาศัยมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับบำเพ็ญเมตตาบารมีมาเนี่ยเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนครับต่อมามาตรัสเมตากรบมาฐานได้เนี่ยนะเมตตาภาวนาเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าอาริย์ัราบที่พระพุทธองค์ค้นพบเนี่ยเป็นทราบที่ประเสริฐการที่เราจะเอาอารีย์ทราบมาไว้ในใจเราเนี่ยนะ เราก็ต้องตรวจสอบใจเราดูก่อนว่าใจของเรานั้นน่ะสะอาดเพียงพอต่อการที่จะรองรับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ฉะนั้นเมื่อตรวจสอบเบ็ดเสร็จทะลุว่าใจของเรามันไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็ขจัดให้มันบริสุทธิ์หรือไให้สะอาดเสียเมันเหมือนว่าภาชนะที่เราจะใส่ของหอมเนี่ยภาชนะที่เราจะใส่วัตถุที่มีค่า ภาชนะนั้นเราก็จะต้องชำระสะาสางแล้วก็จะต้องทำความสะอาดให้ดีโยชนี้จิตใจของเราทั้งหลายที่จะรองรับคุณธรรมกล่าคือเมิตจาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเออใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องดีหรือไม่ต้องขจัดความไม่ดีในใจของเราออกให้หมดเนะ่ ไม่ว่าจะเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาหรือสยามไม่ว่าจะเป็นราคาโทสาวโมหะเนี่ยให้ให้หายออกไว้ก่อนเมื่อเราปลดเปื้องจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้ก็อัญเชิญเยนะเหมือนกับการที่ว่าบุคคลจะอัญเชิญกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนี่เออรับใส่กล้าใส่ข้ามอมที่เขากล่าวกันอนี้ ที่เราจะรับกระแสรพระราชาดำหลัดเนี่ยเรายังต้องรับใส่ก้าวใส่กระหม่อมได้ลักษณะที่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติโดยไม่มีข้อกังขาใดๆเลยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่ากระแสรพระดำหลัดของพระย้าเป็นดิ น, น ย, ยิ่งกว่านั้นเพราะว่าพระธรรมคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกั้นกลองมาเป็นเวลาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนครับ ฉะนั้นก่อนที่เราทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยจะมนาสิการจะอบรมจะเจริญเมตตาภาวนานี่เนี่ยนะเราก็น้อมกายวาจาของเราให้สะอาดให้หมดจดให้บริสุทธิ์ก่อนเมื่อทําสุดจริตสามให้ดีให้บริบูรณ์แล้วต่อไปก็น้อมรับอพระธรรมคําำคำสอนของพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราเมื่อเอาคําสอนกล่าวคือเมตตาภาวนาเนี่ยเข้ามาสู่ จิตใจของเราแล้วต่อไปก็บริหารบริหารเมตตาเนี่ยทําเมตตานั้นให้มีกําลังมากขึ้นเพิ่มพูนบริบธรเมตตานั้นให้มีความเจริญพอกพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ทําอย่างนั้นเน่ยก็จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมแล้วก็อะไรเป็นความเจริญรุ่งเรืองของของเมตตานั้นๆทีนี้ ถ้าจะดูเกี่ยวกันในเรื่องของกรรมฐานเกี่ยวกันในเรื่องของเมตตาในเบื้องต้นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือว่าลักษณะราษฎรปจุปทานปทัตฐา น, ฐานสมบัติวิบัติแล้วก็อาสันนะป จ, จัตติกะธุระปจัตติกะเป็นต้นของเมตตาเนี่ยเนียลักษณะเนี่ยเขาแปลว่าเครื่องหมายราษฎในที่นั้นนะ่ะรถนะ่ะเป็นหน้าที่เป็นกิจ เป็นการงานของเมตตาปัจจุปฐานนี้เป็นอาการตากฏเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลปัฏฐานนั่นคือเหตุใกล้สัมปติก็คือความสมบูรณ์ของเมตตาวิปัติในที่นั้นก็คือความวิบัติกล่าวคือความเสียหายของเมตตานั่นเองประการต่อมาคืออาสัญนาปัจจิกะหมายถึงค่าศึกอะไรเป็นค่าสึกของเมตตา ข้อสุดท้ายก็คือว่าธูระปัจจติกะก็แปลว่าค่าศึกเหมือนกันอาสันะแปลว่าค่าศึกใกล้ส่วนทูระเนี่ยนะปัจจะปัจจติกะนั้นเป็นค่าศึกไกลลำดับแรกคือลักษณะของเมตตาเนี่ยนะเมตตามีลักษณะยังไง เมตตาการรับประวัติรักษาาก็มีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะลักษณะของเมตตาก็คือมีความรักความปรารถนาดีความเมื่อทอนอย่างจับจิตจับใจอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของเมตตาฉะนั้นลักษณะของเมตตาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนไหมต้องรู้คนไม่รู้ลักษณะของเมตตาจเจริญเมตตาไม่ถูก อีกข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดีก็คือว่านักรบเนี่ยนักเดินทางอันเดียวกันนี้นักรบกับนักเดินทางเนี่ยเขาอ่านแผนที่ออกคือเวลาเขากางแผนที่เบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็จะสามารถรู้ชัยภูมิอย่างดีขีดดูแผนที่ว่าเออเวลาเขาจะเดินทางเนี่ยเขาจะทำยังไงจะทำยังไงการเดินทางจะใช้เวลาไม่มากและการเดินทางนั้นจะสะดวกแล้วก็จะไม่ขุกข เขาอ่านแผนที่อนั่นประการหนึ่งนักรบเนี่ยก็จะต้องดูแผนที่เป็นเวลาตั้งตั้งกองทัพก็ต้องตั้งกองทัพอยู่ในชัยภูมิที่อยู่เหนือข่าศึกไม่ใช่เป็นรองข่าศึกนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักกรรมฐานที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของตนเองต้องรู้จักชัยภูมิและต้องรู้จักกรรมฐานต้องรู้จากการครบคน เต่ต้องต้องต้องฝึกอะไรให้เป็น้าทำไมจึงฝึกต้องฝึกอะไรให้เป็นหนึ่งที่ต้องฝึกให้เป็นนั้นก็เพราะว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของชัยภูมิเนี่ยเนี่ยถ้าดูชัยภูมิไม่ออกไม่มีเขาบอกว่านักรบทเนี่ยถ้าขาดภาษาภาษานักรบเนี่ยเขาจะมีอยู่คนคนหนึ่ง เ, เรียกว่าว่าเรามีที่ปรึกษาคนที่เขาจะรอบเก่งๆ เ, เนี่ยเขาจะมีที่ปรึกษาที่ดีสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ย มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ปรึกษาอย่างดีอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทิ้งคำสอนไว้แล้วเหมือนกับเขียนแผนที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราดูแผนที่ไม่ไม่ออกพอดูแผนที่ไม่ออกก็ที่พะแผนที่ว่าแบบนี้เออไม่ถูกใจอีกบางทีบอกไม่เอาดีกว่าเอาอย่างที่เราคิดก็ว่านี่คือปัญหาฉะนั้นประการแรกรู้ลักษณะของเมตานะว่า มีความเป็นไปแห่งกายวาจาในอันที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะี่ยกายกรรมที่เป็นเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมนีนะเมตตาวจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาเมตตวิเมตากายกรรมทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตา โือถ้าหากว่าใจยังไม่มีเมตตาแต่จะเจริญเมตตาอันนั้นผิดหลักแล้วเต้องดูลักษณะต้องรู้จากเมตตาก่อนใช่ไหมเมื่อรู้จากเมตตาแล้วก็มาบริหารใจของตัวเองให้มีเมตาก่อนก่อนที่จะเจริญเมตตาแต่การจะบริหารใจจะทําจิตของเราให้มีเมตานั้นก็แปลว่าเมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยมองทุกๆุกอารมณ์เมตตาเกิดได้ถ้าอย่างนี้เริ่มได้ทีแล้ว เห็นอะไรผ่านเข้ามาทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมันมันเริ่มออกมามันออกออกมาแบบจับจิตจับใจเลยนะไม่ใช่ว่ามันแห้งแรงเหมือนหน้าแรงอะ่ะเหมือนข้าวรอฝนเงมันไม่เจริญมันไม่งอกงามเลยเนะี่ยมองมองหน้าใครมันก็ไม่ไม่เคยมีความรักความปรารถนาดีกว่าเมื่อตอนเกิดเลย เพอเพอมันไส้ส่งอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้หมดแล้วอันนี้ต้องตัดทิ้งไว้ว่าใจใจต้องไม่อย่างนั้นใจต้องประกอบไปด้วยเมตตาทําเมตตาให้เกิดขึ้นเขาเรียกบริหารในในภาษาปัจจุบันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่านักบริหารเอานักบริหารที่ดีจริ ง, รงๆอ่ะนะโดยเฉพาะนักที่จะเจริญกรรมฐานเมตตาเนี่ยถ้าจะเจริญกรรมฐานเมตตาการที่จะเจริญกรรมฐานเมตตาได้ดีที่สุดเนี่ย ก็จะต้องรู้จักเมตาก่อนลําดับแรกเออเมตตาเขามีลักษณะมีท่าทางมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออถ้าเห็นรู้ลักษณะของเมตตาก็ต้องดูว่าแล้วกิจละ่ะราษฎรคือการงานของเมตตาเป็นยังไงมีตูประสังหารารลาษฎเนี่ยมีการนําประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างใกล้ชิดเนี่ยเป็นกิจเป็นการงานเราดูตรงไหนถ้าเมตตาเกิดขึ้นเนะี่ยตัวเมตตานะั้นเนี่ยมันจะยื่นประโยชน์ให้ เช่นตลอดโอ้คนคนนี้เป็นคนมีเมตตานะรู้ได้ยังไงเขาเขายื่นประโยชน์ให้เราเช่นว่าเขาเห็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่คนใกล้ชิดและเช่นว่าเวลาเขาอยู่ใกล้พ่อเขาก็ยื่นประโยชน์ให้กับพ่อเออทําประโยชน์ให้กับพ่อเช่นประโยชน์ในปัจจุบันถ้าพ่อไม่มีก็ทําประโยชน์ในถ้าประโยชน์ในพบหน้าไม่มีก็แนะนําประโยชน์ในพบหน้าให้ ถ้าประโยชน์อย่างยิ่งเก่าคือความสิ้นทุกไม่มีก็แนะนำบอกเปิดเผยแสดงบอกกล่าวว่าเออประโยชน์แห่งความสิ้นทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือทำประโยชน์สามเหล่านี้ให้กับพ่อให้กับแม่ต้องให้กับพี่กับน้องให้กับเพื่อนให้กับสัสดทั้งหลายร่วมโลกนี่หนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่ากิจของเมตามันไหลออกมากิจของเมตามันไหลออกมาทางไหน มันไหลออกมาจากทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็แปลเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาและทางใจเพราะแปลเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมออกมามันก็กระทําประโยชน์ น, นั้นๆให้กับบุคคลอื่นอันนี้เขาเรียกว่าเมตตามันไหลออกมาแล้วไม่ใช่ว่าทําประโยชน์แต่ทําแบบเสียแค้นไม่ได้มันมีคนจี้อยู่ข้างหลังจึงทําเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่ ถ้าเป็นเมตตาจริงๆเนี่ยมันออกไปอย่างจับจิตจับใจออกไปอยากน้ำใสใจจริงออกไปอย่างกับความรู้สึกเลยว่าตนเองมันปรารถนาที่จะทำให้ย่างๆและเมื่อทำให้เขาแล้วเนี่ยก็กลับมายิ้มกลับมาปริ่มกลับมามีความสุขเบิกบานชื่นใจเจริญใจเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้ดีนลักษณะของเมตตาเนี่ยกิจของเมตตามันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะ ทีนี้ถ้าหากว่าไปทำสิ่งต่างๆให้เขาแต่ใจมันเศร้าหมองพึงรู้ด้ยเถอะว่าอันนั้นเมตตาไม่ออกแต่เมตตามันต้องออกมาด้วยความผองใสด้วยความเอิบอิ่มด้วยความปีติด้วยความชื่นใจเบิกบานใจเจริญใจอ่ะเช่นว่าอยู่ในแวดวงของลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันนี่เนยะก็เมตตาก็แผ่ซ่านไปบุคคลทั่วไป ไม่เลือกหน้าเลยอ่ะทำประโยชน์ให้กับเขาแล้วมันมีความสุขเห็นเขาได้อิ่มน้ำสำราญโอ้มันชื่นใจนี่นะเมตาจะไปลักษนงังนี่นะเห็นเขามีความรู้มีความเข้าใจเออมีความสุขถ้าเห็นเขาทำผิดก็น้อมที่จะทั้งให้เขาทำให้ถูกเบตาไปอย่างนี้อาถ้าไปแนะนำแล้วเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราแนะนำ ก็ไม่ขัดเครืองไอ้ตรงนี้เราบอกนะบางทีไปแนะนําเบ็ดเสร็จนี่นะเหมายอุตสาห์แนะนาแทบตายเนี่ยมันขัดเครืองขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ถ้าเมตตาเนี่ยมันมันไม่หยุดหรอกวิธีนี้ไม่ได้เอาวิธีใหม่ความบากบั่นความเพียรพยายามมันจะมาคู่กับเมตตาไอ้ความพยายามเนี่ยมันจะมามาประคับประคองใช่ไหมไม่ให้เมตตาถอยหลังไม่ให้เมตตาหกล้ม แต่ถ้าหากว่าคนเจริญเมตตาไม่เป็นเนี่ยนะหมกแหมืออุตสาทอมแทบแย่เลยว่าองน้นะแหมยังไม่เห็นความดีเราอีกแต่อย่างนี้ก็เลิกกันเลยเราเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยไม่ได้ลักษณะของคนที่เจริญเมตตาเนี่ยมันไม่หกกัล้มไอตัวพยายามคว้าความเพียรความบากบั่นเนี่ยนะความเพียรนนมีหลายระดับนหนึ่งเพียรออกจากความเกลียดค้านใช่ไหมแล้วก็เพียรพยายามต่อสู้เนืองเนืองเลยนะ ถ้าคำว่าเพียรพยายามต่อสู้เนืองๆนั้นเป็นชื่อของการทําอะไรทําเมตตาเนี่ยทําสมถะเนี่นะกรรมฐานเนี่ยให้เจริญเกิดขึ้นสืบต่อไปเนี่ยแล้วก็เพื่อคุณธรรมเบื้องสูงไม่ใช่อยู่แค่เมตตานาะเพราะเมตตาเนี่ยเราเพี้ยเพียงว่าเป็นสัพพะทักกะเท่านั้นนะเป็นกรรมฐานที่จําบัติธนาในกิจทั้งปวงเท่านั้นนะแต่ว่าสักวันใดวันหนึ่งเนี่ย เมตตาเนี่แหละจะเป็นบรรทัฐฐานแห่งการแทงตลอดอริยสัตว์เนอะนั่นเพื่อการบรรลุธรรมคุณธรรมเบื้องสูงนั้นตัววิริยะเนี่ยจะประคับประคองเมตตาเพื่อสู่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่อยู่แค่เมตตาแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องรีบวิ่งเข้าหาเมตตาเพราะใจยังไม่มีเมตาอย่างต่อเนื่องคือเมตามันลุ่มลุ่มโดนโดนดนะ เ, เหมือนฝนตกบ้างไม่ตกบ้างใช่ไหมเออวันนี้ฝนตกชุกแล ยืดไปไดกั่แล้วเยมันไม่ตกอีกแล้วเพราะฝนตกไอ้ต้นไม้มันก็จเจริญ้องามอยู่เอ้ในยามที่เมตตาเกิดขึ้น จ, จิตใจมันก็ชื่นบานเอิบอิ่มพองใสเนี่ยนะยามใดเมตตาหายไปโอ้โหเหี่ยวแห้งหดหูท้อถอยนี่มันเป็นอย่างนี้แสดงว่าการพัฒนาการบริหารเมตตายัางไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นนักบริหารเขาเรียกว่าล้มเหลว ล้มเหลวนักบริหารท่านนี้ล้มเหลวทำไมจึงเรียกว่าล้มเหลวคือว่าขาดทุนเนี่ยทำเมตตาเกิดขึ้นได้ไม่ปฏิปตบพวกเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนักบริหารแต่ว่าจะเป็นนักบริหารชั้นระดับไหนมีสามชั้นนะชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นปลายมีดนเนี่ยที่จริงชั้นต้นเนี่ยเาเรียกชั้นเลวคำว่าชั้นเลวเนี่ยแปลว่าเอาดีไม่ค่อยได้ เอาดีไม่เค่อยได้เขาเรียกเออถ้าหากภาษาของในสมัยก่อนนี่เนยะทหารเขาก็จัดไปเป็นสามระดับทหารชั้นเลวชั้นกลางชั้นยอดเยี่ยมเลยนะถ้าระดับทหารชั้นเลวๆนี่ก็โอ้โหถ้าหนึ่งหมื่นคนเนี่ยจะไปสู้รบกับเขาเนี่ยเนะียบางทีไปสู้ทหารชั้นดีสามพันเนี่ยสู้ไปเพราะว่าการฝึกซ้อมก็ไม่ดี ฝีมือก็ไม่เก่งไอแถมใจไม่ร้อยอ่ะใจไม่ร้อยนักปฏิบัติถ้าชั้นต้นๆชั้นเร็วๆเนี่ยเน่ยก็เหมือนกันเออประเภทที่ท่าดีอ่เอาแน่เนี่ยนะแต่พอไปทาท่าทําทางหน่อยโอ้ไม่เอาแล้วมันถอดใจซะอีกแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างี้ก็เรียกชั้นชั้นเร็วอันนี้ไม่คู่ควรถ้าชั้นกลางๆก็ประเภทนี้บากบันหน่อย ประเภทนี้ถ้ามีคนจุงดีๆหน่อยดีเนี่ยว่าเออเอาก็เอาเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าชั้นระดับชั้นหัวกะทิชั้นเยี่ยมเนี่ยอย่างนี้ไม่ถอยไม่ถอยขนาดว่าแพ้นะประเภทที่ทําทํำทาไปล้มลุกคลานนี่เนี่ยเขาบอกพักขวอนบ้างเถอะแพ้เถอะไม่แพ้ไม่ยอมสู้ต่อไปสู้ต่อไปเนี่ยเนี่ยคือว่าสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็เร็วเล่าเราเราก็ทําอยู่ไง เหมือนนักปฏิบัติท่านหนึ่งที่บอกว่าใหม่ๆก็คิดว่าเอออย่างตนเองเนี่ยต้องเจ็ดวันก็ได้ผลแล้วเพราะเจ็ดวันน่ไม่ได้รู้อะไรเลยเนี่ยเนยเอาไม่ถอยเป็นเดือนเป็นสามเดือนเป็นปีเป็นสองปีไปไปมาทำอยู่อย่างนั้นเน่สามสิบปีเนี่ยเนี่ยเออไทยอย่างนี้เขาเรียกว่าระดับสูงคือถ้าได้ ถ้าได้ก้าวขาหรือถ้าได้มุ่งมั่นที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยเรื่องเป็นถอยไม่มีเออถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าชั้นเยี่ยมถ้าพวกเราพัฒนาใจของตนเองไปถึงระดับอย่างนี้ได้โอ้โหถือว่าโอเคได้ดีแล้วแบบเนี้ยนั้นทับถึงนั้นหรือยังระดับชั้มเยี่ยมหรือยังชั้นเยี่ยมหรือยั ง, ย, ย, มม ย, งยังเลยแล้วพัฒนามากี่ปีเนี่ยสิบกว่าปีแล้วโอ้โห เด็เลยยังชั้นต้นๆอยู่เลยแล้วใครไม่ให้เราทําแล้วใครไปห้ามเราใครห้ามไม่ให้เราทําไม่มีใครห้ามก็รีบเร่งเพียนได้แล้วหรือคิดว่าเราอีกร้อยปีถึงจะตายฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้นะก็ต้องพยายามที่คิดใหม่แล้วว่าบางทีก็ต้องใช้ถ้ามันมันไม่ค่อยเดินเลยเนี่ย เขาบอกว่าเอาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเหมือนเอาคําสอนพุทธเจ้าให้เหมือนกระตะขอก็ เ, เห็นตะขอที่เขาสับหัวช้างเนี่ยนั่นแหละต้องต้องอย่างนั้นเลยทีเดียวช้างขนาดมันตกมั น, นเนี่ยเนะช้างขนาดมันดือ้อแสนดือน้อเนี่ยนายควานช้างผู้ฉลาดเขายังฝึกได้ เ, เขายังมาสับมาโขกมันเลือดไหลมากๆเลยแล้ว ๆ, ๆในที่สุดจริงๆมันก็มัน ก, มนก็มันก็ยอมทีนี้ ถ้าเรามันไม่เอาใช่ไหมต้องสับไหมต้องสับตัวเองถ้ามันไม่เอาต้องสับแล้วก็เอาคําสอนของพระเจ้ามากระทุ้งตโดยบ่อยๆตําหนี่ตัวเองบ่อยๆเนะ่ถ้ามันจะนอนมากๆก็ตําหนิ่อเออนาฬกคงจะเย็นสาหรับพวกเองระมังอะไรเก็เตือนใจตัวเองย่างเนี้ยนพอเตือนตัวเองจริงๆโอ้โหเตือนยอมต้องเตือนตัวเอง อย่างอย่างเรามันต้องใช้ขอแหลมแหลมใช่ไหมถ้าใช้ขอไม่แหลมตับแล้วมันไม่ค่อยสะดุง้งต้องขอแหลมแหลมตับทตนี้มันจะสะดุ้งเลยแต่นี้เออเล <laughs> เล่ <laughs> เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรรือปล่าเพราะว่าก็ <laughs> ว่าไปอย่างนั้นแล้วมันไม่เอาจริงหรอกก็ตนเองรู้ตัวเองอยู่ใช่ไหมถึงจะว่าอย่างไงยังไงก็ว่าด้ <laughs> วยค <laughs> วามรัก <laughs> มันว่าด้วยความรักเพราะจริงๆไงแกล้งว่าไปอย่างงั้นแต่บางทีที่จริงโอ้มันรักตนเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะนั้นเพราะเรารักตัวเองมากเนี่ยถึงจะว่าแต่ในใจลึกๆเราก็รู้อยู่ว่าเราว่าเราไม่ว่าจริงจังเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นว่าเนี่ยเราสําคัญว่าเขาว่าจริงๆเลยโกรธจริงเลยตอนนี้ไม่มองกันเลยตอนนี้ฉะนั้นคําว่ารักษาเนี่ยเนี่ย มีการนำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างใกล้ชิดคืออย่างใกล้ชิดติดพันเลยผลปรากฏถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าเมตตาเนี่ยปัจจุประฐานนะของเขาเนี่ยอาคาตะวินยปะปัจจุปถานานะมีการบำบัดความแค้นหรือขจัดความแค้นเป็นอาการปรากฏของผู้ดีพิจารณาเมตตา เมตตาถ้าเกิดขึ้นนะสังเกตว่าผลหรืออาการปรากฏเนี่ยความแค้นมันหายไปความมาคาดหายไปความหงุดหงิดมันหายไปความโกรธมันหายไปความน้อยเนื้อต่ำใจมันหายไปแสดงว่าเมตตามีผลแล้วเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่าเมตตามีผลหรือไม่มีผลเราต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าหากว่าใครว่านิดๆหน่อยๆยังหงุดหงิดอยู่ อันนี้แสดงว่าที่เจริญเมตตามานั้นผลยังไม่ปรากฏแอตอนนี้เราก็มีเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดแล้วใช่ไหมคนบางคนเนี่ยสะกิดนิดเดียวกันใจน้อยแล้วบางทีไม่แสดงต่อหน้าแต่ไปแอบน้อยใจข้างหลังเนี่ยนะอันนี้ก็ยังบ่งบอกว่าเมตตายังไม่มีผลหรือมีไม่มากทีนี้เราก็จะสังเกตตัวเราเองใช่ไหมยิ่งอายุมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ความโกรธก็ยิ่งน้อยลงหรือมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าคนยิ่งอายุมากยิ่งขี้ใจน้อยอันนี้บบงบอกว่าในชีวิตของท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะละโทสะเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราไม่กลัวหรือเดี๋ยวแค่ลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็น้อยใจแล้วใช่ไหมน้อยใจเลยเพหลายหลายค น, นเนี่ยกเกษียณอายุมาเนี่ยโอ้เสียใจ คือแต่ก่อนที่ยังอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เนี่ยมีคนพี่นอพี่เทาเยอะเขาใช้คาว่าพี่นอพี่เท า, เาเนี่เขาใหญ่นะคือไปที่ไหนคนต้อนรับเยอะแต่พอหลุดออกจากตรงนั้นขึ้นมาแล้วมันมันไม่มีตรงนั้นแล้วความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนะเออกลับไปในกรมกองไม่มีคนทักเลยมีคนมีคนก็เล่าให้ฟังมีมีท่านหนึ่งนะระดับอธิบดีเออแต่ก่อนอยู่ใน ในตำแหน่งโอ้โหไปนี่พวกเลี้ยงแถวทำความเคารพนึน่ทีนี้พอกเกษียณออกมาแล้วไ้ยมีธุระในการที่ไปที่เนี้ยที่กรมเนี้ยคนยามที่ทําความสะอาดก็ก็ไม่ยกมือไหวอ่ะผมกลับมาเสียใจเลยเป็นไข้หนักเลยว่าถ้าถ้าอย่างนี้หนักแล้วแสดงให้เห็นชัดว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเจระะิญเมตตาทีนี้ เราก็สังเกตว่าเมื่อเราจเจริญหรืออบรมเมตตาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเมตตาจะบ่มบัติความแค้นความอาฆาตนั่นคือผลปรากฏเนี่ยเขามาสังเกตว่าเออผลปรากฏเกิดขึ้นกับเราไหยนี่เราสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมเช่นว่าเรานั่งคุยกับใครเนี่ยมีใครพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเออความโกรธมันขึ้นมาแทนไหมแต่ก่อนเคยโกรธเคยหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายในอสิ่งต่างๆนี่มันหายไปไหม ถ้ามันหายไปเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเออเมตตามีผลแล้วนี่ต้องตรวจสอบเองไหมตัวเองต้องตรวจสอบเองต้องพิจารณาเอาเองว่าเมตตามีผลไ้ยอันนี้ต้องตรวจสอบเองนะถ้าหากไม่ตรวจสอบเองก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้อันนี้ต้องต้องตรวจสอบเอ ง, นะาาอเองที น, น, งงงทนี้การที่เราจะตรวจสอบเองได้อย่างนีน้ น, นั้นก็ต้องว่าต้องสังเกตใบบ่ง สังเกตใจของเราเองบ่อยๆในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆเหล่าเนี้ใจเป็นไปกับมเมตตาไหมโอ้มันชื้นมันเป็นไปได้วยความผ่องใสด้วยความเออบิ่มไหมอ่ะถ้ามีคนมาตําหนิติฉินอะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาปุ๊บก็ความกโกรธก็ไม่ขึ้นแต่ก็มีเหตุผลแต่ก็เข้าใจเขาแล้วก็ยังมีควา ม, มเมตตาเขาเหมือนเหมือนเดิมนไหมเออถ้าอย่างนี้แสดงว่าได้ผลแล้ว มองไปมองมาเนี่คนเจริญเมตานี่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบได้เปรียบคนอื่นหรือเสียเปรียบได้เปรียบนะทีนี้การเจริญเมตตาอีกข้อหนึ่งนะว่าให้สังเกตตัวนะว่าเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเช่นเราแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองจนช่ำชองแล้วเมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองจนช่ำชองจนชำนีชำนาญเบ็ดเสร็จรแล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาให้คนอื่นเนี่ยนะเช่น เราก็ต้องเลือกคนก่อนเออการแผ่เมตตาโดยการพิจารณาเนี่ยอ น, นิสงส์เยอะๆถามบอกว่าถ้าเราไปตำหนิหรือไปด่าบุคคลที่มีคุณน้อยบาปเราน้อยหรือบาปเรามากบาปก็น้อยถ้าไปตำหนิหรือไปด่าบุคคลที่มีคุณมากมีคุณธรรมมากบาปมันก็มากทีนี้เราจเจริญเมตตาถ้าจเจริญเมตตาให้กับ คนที่มีคุณธรรมมากไอ้กุศลเมตตาธรรมมันก็จะย้อนตีกลับมหาเรามากเขาใจะ่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเออมันวัดกันจนที่คุณด้วยเช่นเราไปปรารถนาอย่างเช่นว่าเราเรารู้นะว่าเออท่านผู้นี้ท่านตั้งจิตปรารถนาอะไรเขาไว้เรารู้ว่าถูประสงค์ของเขาแล้วเราก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนมีบุญมากเราก็เมตตา จเจริญเมตตาให้ท่านผู้นั้นแล้วก็ปรารถนาบอกว่าสิ่งที่นายกปรารถนาอยู่เนี้ยขอให้สําเร็จโดยง่ายสําเร็จโดยเร็วสําเร็จโดยสะดวกสําเร็จโดยชัพลันนะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขอให้ท่านเหล่านั้นจงสําเร็จตามความปรารถนาของท่านบนรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ท่านเหล่านั้นหวังเถอที่จริงเนะี่ยคือการการแผ่ให้ตัวเองเลยนะรู้ป่ะในขณะที่เราแผ่ให้บุคคลอื่นแบบเนี้ย ยิ่งท่านเหล่านั้นมีคุณมากไอตัวเมตตานะี่ยมันก็จะย้อนตอบสนองบุคคลที่แผ่เมตตาได้มากขนาดนะั้นอินเป็นอย่างนี้โดยคําสอนตรงนี้คนส่วนมากก็ก็ไม่คิดกันเพราะไม่รู้พอไม่รู้ก็เจริญเมตตาไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยดีแล้วบางทีเนี่ยนะเช่นถ้าเราจะแผ่หรือเจริญเมตตาให้กับศัตรูเนี่ยเรารู้ว่าศัตรูเขาหวังความเจริญรุง่งเรืองใดๆเนี่ยนะ พอเราจะให้เขาประสบความสําเร็จในใจเราให้ไม่ได้มันจะหนีเนี่ยจะหนีคุณโอ้โหไม่ได้ถ้าเขาสําเร็จอย่างที่เราว่าจริงๆเราไม่แย่รือเนี่ยเนยะถ้สมมุตินะอาจเป็นคู่แข่งกันเลยเนะเป็นคู่แข่งกันเลยระดับตําแหน่งเท่าๆกันเนี่ยนะนี่ก็หวอกว่ามันมีนายใหญ่อยู่สมมุติไอ้นายใหญ่ก็มองอยู่ใช่ไหมว่าจะให้ใครสูงหรือต่ำเนี่ยอีกคนนึงเจริญเมตตาแล้วก็บอกว่า ให้คนคนเนี้ยเขาประสบความสําเร็จบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านผู้นี้หวังและปรารถนาไว้เถอะขอให้เขาสําเร็จโดยพลันสําเร็จโดยง่ายสําเร็จโดยสะดวกอย่าให้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางถ้าเราใจเราทําได้ขนาดนั้นแสดงว่าใจเมตตาเราได้เข้มข้นแล้วเมตตาเรานี่เข้มข้นแล้วสามารถแผ่เมตตาให้กับคู่แข่งให้เขาสําเร็จวัตถุประสงค์ได้ เชื่อไหมไอตัวเมตตาแล้วมันจะย้อนกลับแต่อย่าไปหวังย้อนกลับนะถ้าเราบอกเออที่กูทำอย่างเงี้ยกูมีแผนได้จะหวังย้อนกลับอันนี้ไม่ได้เออกลับไม่ได้เอกเพราะเมตตาเมตตาเนี่ยเขารู้ทันนะเขารู้ทันคนเราจะไปทำเจ้าเล่อย่างนี้ไม่ได้ทําแบบแบบจับจิตจับใจแบบเป็นไปด้วยน้ำใสใจจริงเลย ไม่ใช่ว่าวางแผนล่อเขาไว้ว่าที่เราให้เมตตาอย่างนี้เพื่อเราหวังจะขึ้นสูงเนี่ยเราให้เขาจริงๆเลยใช่ไหมไอ้การต่นหนีตรงเนี้ยเราขาจัดได้ไหมเราเราต่อหนีเมตตาใช่ไหมเราไม่บริจาคเมตากันนี้เราคิดใหม่ต้องเจริญให้ถูกเราเราบริจาคไปเลยเมตตาบริจาคแบบไม่เสียดงเสียดายเลยแบบให้จริงๆไปเลย แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยให้แล้วมันจะเอากลับมันหวังไงให้แล้วแบบว่าเ อ, อเราให้เขาย่างนี้ที่สุดเราจะต้องได้ดีเราไมมีคําตอบอยู่ใช่ไหมพอไปหวังคําตอบอย่างนี้พวกมันก็เลยเออพอจเจริญได้ถ้าถ้าบอกว่าให้เขาไปแล้วแล้วถ้าเขาสําเร็จจริงๆอย่างที่เราให้เอ่ะใจเรารับได้ไหมต้องบอกว่ารับได้เพราะใจเราให้เขาอยู่ถ้าอย่างเนี้ยมันจะไปได้ อาการเจริญเมตตาเนี่ยต้องต้องเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องรู้ด้วยการเจริญต่างๆเหล่านี้นะแล้วต้องไม่ให้ติดขัดในในทุกๆอารมณ์ด้วยอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยเมตตาไม่เดินเลยอ่ะเช่นในในพี่น้องเราเนีนะ่ไม่ต้องคนอื่นเนอะกสมมติเรามีน้องห้าคนมีพี่สามคนอย่างี้หรือมีเพื่อนมีอะไรไงนะเอาแล้ก็เจริญเมตตาให้กับน้องคนนี้คนนี้อา้าวมันไม่มันไม่ไปอะบางคน น้องบางคนทำตัวน่าเกลียดเราไม่ชอบเขาใช่ไหมเวลาจะเจริญเมตตาสักหน่อยมันไม่ไประบอกไม่ยอมไปเมตตามันดือววอ้อยังกระจงวัวออกจาก้อก็ไม่ยอมออกนี่มันมันไม่ออกนี่ต้องต้องอารมณ์ไหนที่มันไม่มันไม่คล่องมันก็อย่าเพิ่งกลับมาเจริญให้กับตนเองให้อย่างมั่นคงก่อนเลยนะแล้วก็แผ่ให้กับกลุ่มอื่นจนสาธารณะจนชัดเจนเ็เ แล้วก็ย้อนไปแผ่เมตตาให้กับอารมณ์นั้นอีกแผ่จนสามารถทะลุทะลวงอารมณ์นั้นได้เข้าใจไหมจนไม่ติดขัดเนี่ยมองปุ๊บ ก, ก็เมตตาไหลเป็นน้ําไปเลยอันนี้เริ่มได้ผลแล้วมันเหมือนเราอ่านหนังสือนะพอมองเห็นปุ๊บเนี่ยมันมันอ่านได้เรียบร้อยเบีดเร็จแล้วแต่บางตัวเนี่ยมันยังไม่เสร็จคล้ายๆว่าคําคเนี้ยมันไม่ค่อยได้อ่านอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามรุขคาทายวันเนี่ยนะ เออคำคำนี้มันอ่านไม่ค่อยออกเราไม่ค่อยได้ประสมเนี่ยนะก็ก็พยายามตรึกบ่อยบ่อยนึกบ่อยบ่อยที่สุดจริงเดี๋ยวเขียนพปกกับอ่านได้ไอเมตตาก็เหมือนกันอารมณ์ใดที่มันติดขัดก็ตรึกอารมณ์นั้นบ่อยๆตรึกอารมณ์นั้นบ่อยบ่อยเมตตาให้เกิดอย่างต่อเนื่องในที่สุดจริงๆริงก็ทะลุทะลวงอารมณ์นั้นได้ในที่สุดจริงๆพอเห็นอารมณ์ประเภทนี้ผ่านเข้ามาเมตตาก็เดินได้ไม่ติดขัด เมตานั้นต้องเดินได้สิบทิศนะต้องเดินได้อย่างเดี๋ยวต่อไปจะไปบอกวิธีการว่าโอ้อเขาเดินยังไงเขาทําเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไงอาวนทั้งสิบทิศเป็นยังไงแผ่ให้กับหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายโอปปาติกาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เนะียหรือให้จํากัดบุคคลเจาะจงไม่เจาะจงอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะไป อบรมหรือการเจริญเมตตาเนี่ยฉะนั้นการ mm hmm. การแผ่เมตตาเนี่ยการอบรมเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องมนสิการและทําให้ต่อเนื่องประการที่สีนะ่ประทัดฐานนะประทัดฐานนะเนี่ยเหตุใกล้นะความดีที่น่าพึงพอใจของสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีงานเป็นเหตุกลการที่จะเจริญเมตตาได้เนี่ยต้องนึกถึงสิ่งดีใช่ไหม เช่นท่านแต่ละบุคคลเนี่ยนะจะต้องมีสิ่งดีและไม่ดีอยู่ในตัวทั้งนั้นแต่การที่จะทำให้เมตตาภาวนาเกิดหรือเมตตากรรมฐานเกิดก็ต้องมองจุดดีของท่านนั้นเมื่อมองจุดที่ดีแล้วก็เห็นจิตมันจะมีความรักความเมตตาความเอื้อทอนแบบใจจริงโผอมามันจะปิดส่วนเสียของท่านนั้นเลยเช่นว่ากายกรรมดี แต่วจจีกรรมมโนกรรมของท่านผู้นั Walker, ้นไม่ดีเมตามันจะวิ่งไปที่กายกรรมแล้วเห็นแล้วสามารถขยายกายกรรมแผ่ปกคลุมวจจีกรรมมโนกรรมของท่านผู้นั้นที่ไม่ดีเสียได้หรือคนบางคนเนี่ยวจีกรรมดีแต่กายกรรมกับมโนกรรมไม่ดีตัวเมตาก็จะวิ่งไปผัวพันอยู่กับวัจจีกรรมของท่านผู้นั้น แล้วก็ขยายว่าจีกรรมไปปกคลุมกายกรรมแล้วมโนกรรมของท่านผู้นั้นไม่ให้เห็นมันก็เมตตาก็ปกคลุมไปได้หรือท่านบางท่านเนี่ยกายกรรมวจีกรรมไม่ดีแต่มโนกรรมดีเนี่ยนะจิตใจงามเนี่ยนะตัวเมตตาเนี่ยมันก็จะไปที่จิตใจเลยไม่ดูพฤติกรรมหรือการกระทาของท่านผู้นั้นเลยแล้วก็จะปิดส่วนทั้งสามส่นทั้งสองสนั่นเสีย แต่ถ้าไปเจอบางคนเนี่ยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมมันแย่ๆเนี่ยนะก็จะมองมองมองเป็นจุดดีไปเลยว่าเออท่านผู้เนี้ยในอดีตกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็เคยดีมาไม่ได้มาแย่อย่างในปัจจุบันนี้หรอกหรือแม้ในอนาคตสักวันหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสุจริตสามก็จะต้องดีเนี่ยนะไม่มองพฤติกรรมในปัจจุบันแต่มองพฤติกรรมในอดีตและย้อนไปในอดีตแล้วก็สาวไปหาอนาคต ของท่านบุญนั้นว่าจะต้องมีดีฉ่านั้นไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เออตรงนี้เห็นไหมว่าตัวเมตตาเนี่ยมันจะวิ่งหาสิ่งดีดก่อนเป็นเหตุใกล้ก่อนแต่อย่างเรามันคิดไม่ออกใช่ไหมอันนั้นเพราะว่าเราจเจริญเมตตายังไม่เข้มขน้นถ้าจเจริญเมตตาเข้มข้นนะเห็นคนทําชั่วอยู่เฉพาะหน้าเ อ, อ๊ะนี่เขาเป็นมนุษย์นี่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่าเขาต้องทําบุญมาดีเนี่ยถึงได้มาเป็นมนุษย์เนี่ย ถึงเขาจะชั่วก็เพราะความประมาทเลินเล่อเนี่ที่จริงในอดีตท่านพวเนี้จะต้องทำกุศลมาเป็นอย่างดีแมมรูปร่างหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีฐานะก็ดีอะไรก็ดีหมดเสียแต่คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่านั้นเองเพอมองอย่างนี้นะเมตตก็เกิดดีบางคนเห็นว่ามองไงก็ไม่เกิดเหมือนไส้ไปหมดอะไรนี้อย่างนี้เสียแล้วเพราะว่าเจริญไม่เป็น นี่นี่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะโดยไม่มีการนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีงามอันนี้เป็นเหตุการณ์สิ่งที่ไม่ดีไม่คิดเลยปิดหมดเลยอะสามารถปิดสิ่งไม่ดีของบุคคลเหล่านั้นได้เออถ้าหากว่าใครทำใจได้อย่างนี้ดีมากเลยไม่โกรธใครเช่นคนบางคนมีโทษสมควรประหารเนี่ยนะเราก็ไม่มองจุดตรงนั้น แล้วก็มองจุดโอ้ท่านบุญนี่เคยดีนะบางคนเนี่ยเป็นโจรเนี่ยนะเออแต่รักพ่อรักแม่โอ้ก้าท่นูก้าวิทีดีมากกวงั้นบางคนเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอะไรต่างๆเราเนี้ยเออเราก็ไปดูว่าเออเขามีจุดอะไรดีบ้างถ้าไม่มีก็มองย้อนอดีตทังที่ได้กล่าวอย่างนี้เขาเรียกประทัดฐานเหตุใกล้ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาตัวสภาพของเมตตานั้นก็คือว่าทีนี้เราก็ไปฝึกมองเลยนะ ถ้าเห็นคนไม่ดีปุ๊บผ่านมาเนี่ยแต่นี่เริ่มคิดเป็นแล้วไม่ใช่คิดมองเฉพาะไม่ดีไม่ดีตรงนั้นถ้าเขายิ่งมาด่ามาทำร้ายเรามาประทุดสลายมาเรามารังแกเราด้วยแล้วก็ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนี่เป็นการตรวจสอบว่าเออประทาฐานเราดีไหมบางคนนี่ไม่ได้เลยเนะี่ยทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักหรอกเจาะเอามาจะไน้อะยังไงเจาะเอามาให้ได้บางทีเรื่องมีนิดเดียวอะ แต่สามารถเอามาพูดจนคนอื่นเกลียดเป็นแถวได้เออมีอย่างนั้นเนียมีบางคนเนี่ยมันเขาก็มีความชั่วนี้แต่คนนี้เผเอิญก็ไม่ชอบพอไม่ชอบก็เลยบอกเออเมื่อเราไม่ชอบเพื่อนๆ น, นเราก็ต้องไม่ชอบคนนี้ด้วยก็เลยเอาส่วนเสียของคนนั้นมาพูดโอ้พูดใหญ่เลยทีอธิบายอาศัยเป็นคนพูดเก่ลเพื่อนฟังก็เออดีนะไปหมดเลยแต่เนี้ย ก็ไม่รู้นะว่าตัวเองกระทำบาปที่จริงทาบาปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนพูดตรงนะไม่ใช่เขาเรียกเป็นถ้าพูดแล้วทำให้ใจเป็นบาปยกตัวอย่างเช่นนะมีคนคนหนึ่งไปทำชั่วแล้วเขาเขาทำชั่วนี่นะทีนี้อีกคนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นทำชั่วอีกคนหนึ่งบอกไปบอกด้เลยเขาจะได้รู้อีกคนคนนี้ชั่วอพอบอกปุ๊บมา คนที่เราบอกเนี่ยก็พอยกโกรธแต่ก่อนก็โหไม่กโกรธคนนั้นนะนะพอบอกปุ๊บคน้ก็เลยกโกรธเลยเนี่ยเป็นเหตุทําให้คนอื่นช่วยยังไม่รู้ว่าเราบาปแต่จริงเราบาปแล้วนะเนี่ยเพราะคําพูดของเราเป็นเหตุทําให้คนบา ป, บาปเข้าใจป่ะ เ, เป็นเหตุทำให้คนบาปไม่ใช่เป็นเหตุทําบางทีเราพูดเนี่ยมันเหมือนถูกต้องหมดแล้วแต่คนฟังเขาฟังแล้วบาปเกิดนี่แล้วเป็นเจตนาของเราด้วยนะ แต่ถ้าไม่มีเจตนาอันนั้นอีกอย่างเช่นถ้าเรามีเจตนาว่าเ อ, อ้อพูดแล้วเขาจะได้โกรธเขาจะได้รู้สักทีลักษณะอย่างเงี้ยอย่างนี้เสียหาาฉะนั้นปัฏะะฐานเนี่ยต้องดูสิ่งที่ดีงามสัมปติเนพยาปาทูปัสมโมสัมปติการสงบพยาบาทลงได้เป็นเวลานา น, านเป็นความสมบูรณ์ของเมตรครับความโกรธความพยาบาทความมาคาดสงบได้เป็นเวลานานนานไหม ที่เบื้องต้นนะเช่นว่าแต่ก่อนยังไม่เคยอบรมไม่เคยเจริญเมตตานี่นะความโกรธมันจะเกิดง่ายใช่ไหมได้รับอารมณ์อะไรปุ๊บก็สะท้อนใจเร็วอะแต่พออบรมเจริญเมตตาเบ็ด เ, เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยพอได้รับอารมณ์ประเภทเดียวที่เคยได้รับแต่ก่อนหงุดหงิดแต่ก็สามารถสงบระ ง, งับได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็วางใจได้สแสดงให้เห็นชัชดว่าสมปติหรือสมบัติเกิดแล้ว อันนี้เป็นความสมบูรณ์ของเมตตานั้นเมตตาจะเข้าถึงความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ดูว่ากําลังของเมตตานั้น่ะเกิดได้นัานอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยเกิดความโกรธก็ไม่โกรธจะทําเป็นปัจจัยเกิดความหงุดหงิดก็ไม่หงุดหงิดจะเป็นปัจจัยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยนะอันนี้แสดงเห็นชัดว่าเมตตาเข้าถึงความบริบูรณ์แล้วเมตตาครอบงําจิตใจของท่านผู้นั้นแล้ว มันเป็นอย่างนี้นะใจของมนุษย์เนี่ยจะให้ความโกรธครอบงําหรือให้เมตตาครอบงําก็ได้ถ้าจะให้ความโกรธครอบงําก็ไม่ต้องเจริญเมตตาแต่ถ้าจะไม่ต้องการให้ความโกรธครอบงําก็เอาเมตตาแน่หละมาครอบงําใจพอเมตตามาครอบงําใจเมตตาก็มาดูแล จ, จ, จิตใจของเราใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาความโกรธมาครอบงำํำนะความโกรธก็จะมาเป็นมาดูแล จ, จ, จิตใจของเราอะไรนิดหน่อยก็โกรธอะไรนิดหน่อยก็ แต่ก็ดีนะถ้ามองในแง่ของปุ้ดูชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยคนที่โกรธโกรธเนี่ยโห้คนเกรงเยอะใครว่านิดหน่อยก็เดี๋ยวไม่ได้รู้ไหมบอกว่าจะเดินก็ต้องเดินเบาๆเนอะถ้าหากว่าทําเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้เดือดทักขวางใส่เราแล้วยุ่งเดี๋ยวไหบางทีเขาไม่ด่าแต่เขาใช้สายตามนี้คนที่เขาเน้นมากๆเนี่ยใช้สายตามองปุ๊บนีไปว่ารู้กันการใช้สายตามอง และถลึงตามมองเป็นต้นก็มีคนคนป่วยอยู่คนหนึ่งนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้แกลูกแกจะต้องตามใจหมดแล้วพรแกจะใครใครใครขัดใจแกไม่ได้นี่แกป่วยพอป่วยแล้วก็ลูกก็ให้หมอใส่ทิ้วนี่แกก็ไม่อยากให้ใส่แกแกก็พูดไม่ได้แม่ป่วยหนักลูกก็มาเยี่ยมแกก็ทําอะไรลูกไม่ได้เขามัดด้วยมั ด, ม, ดมือมัดเท้าติดกับเตียง แกก็ใช้สายตามองมองแบบถลึงตามองอะนะแล้วก็มาเล่าให้ให้พรางโมโหูมองหน้ากลัวจริงๆนี่จะทำยังไงก็บอกว่าต้องไปเตือนแกอันนี้เขาเรียกเมตตาเอิ่มเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นเป็นกายกรรมที่เป็นโทสะไอที่ถลึงตามองเนี่ยถ้าตายลงในขณะนั้นก็อบายทุกขติวินิบาตนะลงแกก็ใช้สายตาถลึงมองมองจ้อง แกจะบอกว่าทําไมทําทําค่าขนาดนี้อ่ะทาไมจะจะพูดเรืนะ่เตรียมไว้เนี่ยเตรียมแต่ตาไว้เนี่ยมองแบบเมตตากันแล้วกันเขาจะทํำไงก็มองแบบเมตตาทําได้ไหมทาไม่ได้แล้วเนยะยุ่งยากก็ถึงเนี่ยแกก็มองลักขนาดเงี้ยแต่ที่ตอนนี้ตายไปแล้วโอ้โห น, นี่น่ากลัวมากเพราะเพราะไม่ได้ฝึกเจริญเมตตาเข้าไว้นั้นมนต้องมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่ า, วา วันใดวันหนึ่งจะถูก ม, มัดบนเตียงเช่อไหมจ๊ะถ้าถูกมัดเนี่ยจะร้องไหมเนี่ยก็ลองลองนอนลองนอนก็ลองลองมัดตัวเองดูบ้างหรือให้ใครลองมัดดูมดัดดูสักวันสองวันลองมดัดดูทดสอบว่าจะโกรธไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้ตัวเมตตาไม่มีเนี่ยมันจะพยาบาทมันจะเข้ามาครอบงา ทีนี้ความสมบูรณ์ของเมตตาสมบัติของเมตตาก็คือว่าอบรมเมตตาจนถึงกันประการต่อมาคือวิปัติสีหาสัมภววิปัติการเกิดขึ้นของตัณหาที่เหนียวแน่นเป็นความเสียหายของเมตตาให้สังเกตด้วนะว่าไอความใกล้ตัวใกล้ชิดเมตตาที่สุดอีกตัวหนึ่งที่เป็นสภาพตรงกันข้ามคือตัณหาตัณหาเน่ก็คือโลภะ ความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินเออตรงนี้เป็นความเหนียวแน่นเป็นความเหนียวแน่นเป็นความเสียหายของเมตตาด้วยแสดงให้เห็นชัดว่าตัวเมตตาเนี่ยนะมีตัณหาเป็นอันตรายเป็นความเสียหายอ้าทําไมจึงเป็นความเสียหายในขณะที่เจริญเมตตาต้องระวังเข้าไว้มันจะมีตัณหาเข้าแทรกเป็นระยะระยะแล้วผู้เจริญก็ไม่ค่อยรู้ตัวอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะมีมีผู้ชายท่านหนึ่ง เจริญเมตตาเนี่ยนะไปเจริญเมตตาให้กับภรรยาของตนเองนิดยังไม่ได้ฝึกขาดอะไรดีเลยใจก็ยังไม่นั่นเลยก็น้อมนึกถึงภรรยาแล้วก็แผ่เมตตาไปให้พอเจริญเมตตาไปเจริญเมตตาไปเนี่ยตัณหาก็เข้าแทรกคืนนั่นนอนไม่หลับเลยคิดถึงภรรยาทั้งคืนอย่างนี้ก็เรียกตัณหาแทรกแล้วเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแทนที่จะเป็นเมตตากลกายเป็นตัณหา ก็ไม่เข้าใจก็เลยไปถามครูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ก็โอ้ท่านไปเจริญให้กับวิสภาอาลมอารมณ์ที่มันตรงกันข้ามอารมณ์ที่มันเป็นข้าศึกใหม่ๆยังเจริญไม่ได้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกเช่นไปไปเจริญเมตตาต่อต่างเพศก่อนเลยเนี่ยนะที่ต่างเพศนั้นก็อยู่ในสถานะที่เราไม่ได้เป็นเคารพนับถือใดๆเลแต่อยู่ในฐานะเป็นภรรยาเนี่ยพอเจริญไปเจริญมาตรนี้ก็เกิดความ หกพันที่เป็นตันหาขึ้นมาไอตัวตันหาเปรมมาก็เจเริญขึ้นจเจริญขึ้นตอนเนี้ยโอ้เป็นห่วงกังวล